ไว้ซึ่งให้ความรู้สึกอย่างมันเหมือนหัวใจจะวายมาสบตาของเธอหนุ่มคนนี้ก็มาเฝ้ามองขอความรักแล้วแล้วแ ล, วแลวจนภิกษุณีลำคานภิกษุณีเ น, นี่ยเป็นอรหันต์เลนะก็ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาของสวยยิ่งขึ้นแต่ว่าตาของคนที่มีมีธรรมะเนี่ยมันมีแววมันมีแววธรรมะออกมาอยู่นะ ไม่เหมือนกระตาของคนที่ไม่มีธรรมะคือถ้าคนที่ดูตาคนจนชำนาญเนี่ยบางทีมันมองถึงความรู้สึกมองทั้งรูปเค้าของกรรมและกิเลสเก่านะอย่างพิชซูนีรูปนี้ความจริงท่านหมดกิเลสแล้วท่านคงไม่ไปเที่ยวมองชายสายตายใครเกิดความรู้สึกสะทกสะทานอะไรขึ้นมาอย่างที่ มีบางคนอาจจะมองๆกันอย่างนั้นนะฮะไม่ไม่ได้ไปหวานใส่ตรงตาอะไรประเภทที่มองแล้วมีอะไรหยดแหมะแมะออาจะตั้งลูกตาเนี่ยท่านไม่ได้ทมแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของบูมาการกำแต่งและคนที่มีความกำหนักอย่างชายหนุ่มคนนั้นก็มาปืเวลาบินสบาทก็ไม่เป็นอันบินสบาทบาทก็ไม่ใส่บาทก็ไม่ตัก ยังมาทำเก๊กลกลางๆเรียๆของขวาในที่สุดนางภิกษุณีนั้นก็รู้วิธีที่จะทำให้มันเลิกตื่นเลยจะต้องใช้วิธีนี้แสดงท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเธอรักอะไรฉันบอกรักตาตาสวยมากบอกถ้าอย่างนั้นทถันจะให้ดวงตาแก่เธอก็อเล่าแล้วก็มันเหมือนโกกนางควักลูกตามาเลย แล้วก็ยื่นให้ปรากฏว่าไอ้ผู้ชายหนุ่มนั้นหันหลังวิ่งแนบเละควักจริงๆฮะในในนั้นว่าควักจริงๆแล้วก็ไม่ได้วิจาร์เสร็จแล้วพอวิ่งหนีนางเองได้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าปีติเกิดแล้วก็บอกว่าตาั้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกก็กิดเป็นเรื่องอำนาจจีรยิ่งไงก็พิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นนะนะแต่ก็ใน ในประวัติของพษิษึนีรูปนี้ได้เล่าไว้อย่างนี้มันพอดวงตาแั้หลุดออกมาแล้วมันก็ไม่มีความสวยงามใช่ไหมไอ้ที่มันสวยงามเนี่ยเพราะว่าหนังตาเพราะสีตาอะไรแต่อะไรประกอบกันขึ้นเท่านั้นเองคนที่ตาที่เขาว่าสวยบริสุทธิ์ซึ้งๆเนี่ยถ้าเอากล้องขยายมาส่องดูนะไม่ต้องคว้ากันครับเห็นแล้วก็เกือบจะวิ่งหนีเพราะมันไม่มีอะไรสวยงามเลยอะ่ะ ในความเป็นจริงที่มันประกอบกันขึ้นเป็นลูกตาเนั้นถ้าเรามองบนเผลนเนี่ยมันสวยจริงๆถ้าเรามองไม่สวยตั้งมาิการ น, นิดเดียวเช่นมองอต้องขออนุญาตพูดนิดหนึ่งมองไปที่หลุมลูกตาข้างหน้าหัวตาเนี่ยและถ้าใครที่เรียนเรื่องไอ้โครงสร้างของประสาตามาอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีแต่ไอ้ของโสโครกไหลออกนะ และตาที่ว่าสวยเท่าลองดึงเพเยหนังตาขึ้นสักนิดหนึ่งมันแค่นั้นเองอนะที่ว่าตาสวยลงบิดหนังตาขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยแค่เท่านั้นเองอนะ่ะทำไมมันไม่สวยไปได้และถ้าใครถ้าคนหนึ่งตาสวยแล้วเกิดหนังตามันปอกเปิกเนี่ยก็กลายเป็นหมดคุณค่าทันทีอันนี้เขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะที่คนเนี่ยคิดปรุงแต่งแล้วยิ่ง อกุศลจิตเข้าไปจับไปปรุงแต่งมันขยายเป็นต่างๆลองไปดูคนที่ตาหวานๆก็แล้ทั้งไม่ใช่ผมนะฮะแต่ถ้าพวกที่ตาหวานๆที่เขาว่าหวานๆลองเอามาเพ่งมองดูแล้วก็ลองตั้งความรู้สึกเป็นสองแบบก็จะเห็นเลยซึ่งมันไม่มีสาระอะไรที่สวยงามนี่เป็นเรื่องตาคนอื่นทีนี้ระหว่างตาคนอื่นกับตาเราเนี่ย การที่เราชอบตาคนอื่นหนึ่งเราชอบในแง่ความสวยสองเราชอบในแง่ของสมรรถนะสมรรถภาพใช่ไหมว่าตาของคนนี้สามารถจะเห็นจะดูอะไรต่ออะไรได้เราก็ชอบในแง่นะั้นทีนี้มาพูดถึงตาเราเองเราก็ชอบเป็นสองแบบเหมือนกันอย่างหนึ่งคือชอบในแง่ของความสวยคือมันจะจ ะ, จะสวยแค่ไหนอยู่เป็นปกติตามสภาพตาของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกใน ล, ลักษณะใสความสวย ในแง่สุนัริยะใสเข้าไปด้วยแล้วเป็นที่ตั้งความชอบทั้งเราจะเป็นคนตาตีตามีเหล่าเต่งตาไม่มีเหล่าเต่ง <c oughs> เราก็ก็พยายามจะทําให้มันสวยแล้วก็เพื่อจะได้ชอบมันสวยมากเราก็ชอบมากในแง่นั้นสวยน้อยก็ชอบน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบในแง่ของคุณภาพประโยชน์ของประสาตาเวลาที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นตาของเราที่ตันหาเข้าไปติดเนี่ยจึงติดอยู่สองแบบ และทั้งสองแบบนี้มารวบยอดรวมกันในแง่ของความเป็นเราเป็นของเราที่ว่าจักสุเป็นเราเราเป็นจักรสุจักสุเป็นของเราสวยก็เป็นของเราสวยก็เป็นเราคุณภาพของประสาตาก็เป็นเราเป็นของเราเราก็ติดยึดอยู่อย่างนี้และไอราคาที่เข้ามา กำหนดนึกประสาทตาเนี่ยถามว่ามันเข้ามาติดยึดเมื่อไหร่เมื่อเราส่องกระจกหรือเมื่อเราส่องกระจกเท่า น, นั้นหรือเวลาเราส่องกระจกเนี่ยเราปลารบตาด้วยอํานาจของความกําหนัดในแง่ไหนในแง่ไหนนึกออกไหมในแง่สวยหรือในแง่คุณภาพในแง่สวยเวลาที่เราหยอดตาไปหาหมอตา เราปลาลบตาของเราด้วยความกำหนัดในแง่ไหนด้วยอำนาจของคุณภาพกิจของตานะเรียกว่ากิจของจักสุคือบางทีเนี่ยบางคนก็ก็เรียกว่าชั่งน้ําหนักลําบากเหมือนกันว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเวลาที่ไปไปทําตาแต่นี่มันก็ไม่โดนถึงกระลูกตานะ กระโถดมัาไม่ได้มีเจตนาแล้วไม่รู้ว่าใครไปทาํามายังไงหรือไม่ <c oughs> เออเห็นอ่านแต่หนังสือพิมพ์ก็บอกว่าแหมขนาดคนสมัครองกว่าสองคนยุ่งสาไปทําตาเลยผมก็ไม่รู้่าจริงไม่จริงนะฮะอ่านข่าวไม่ได้กันหรือเปล่าผมผมไม่รู้จักทั้งสองท่านนะว่า ท, ท, ทำให้ตานะั้นลดอนุคุณภาพลงไปนี่ผู้สมัครชายนะฮะก็ยังยุ่งสาเป็นผู้ชายก็ยังให้ความต้องการแก่ความงามถ้าจริงนะ ผมก็ว่าจะไปฝ่าตัดประมานี้ uh huh. ให้รู้ว่าออกมาเดี๋ยวแลนะแต่ออกมาเกิดทำมาจากโสก็ดีน ะ, ะทีนี้ที่ว่ามันมันมาเกี่ยวกันเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเรายอมที่จะเสียคุณภาพยอมที่จะเสียกิจของตาคุณภาพทางกิจเพื่อเอาคุณภาพทางความสวยงามซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่หใช่ บางคนนี่ไม่เหมือนกันอาบางคนเขาก็ให้ความสาคัญมากบางคนเขาก็ไม่ได้ให้ความสาคัญบางคนก็ถึงกับตาเตย่ําแย่ไปให้ตายมีหยดน้ําพึ่งไว้ก่อนนะสวยๆไว้ก่อนอนะไรเงี้ยอันเนี้ยพูดไปพูดมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นการกันแนกแนันแหนไม่ดีไปอีกนะขอโทษนะพูดเพอยกตัวอย่างในแง่ข้อข้อความจริงเท่านั้นก็อันนี้มันเป็นเรื่องของของ สังคมมนุษย์ขนาดสมัยพุทธกาลเนี่ยยังมีพระขอโทษนะใ น, ในพระธตริฎกอย่างเช่นพระติดสะจาได้ไหมฮะเคยเล่าแล้วพระติดสะญาตพระพุทธเจ้าออกบชแล้ววันวันไม่ทำอะไรหยอดแต่ลูกตาไม่รู้ว่ายาแล้วไม่หยอดหยอดตาเป็นคนเป็นเป็นคนสำอังเนไงสาอังหยอดนี่ไม่ใช่หยอดเพื่อเพื่อสุขภาพนะแต่เป็นเพื่อความสวยงาม อพระพุทธเจ้าท่านเคยร้องหยมร้องไห้มามาเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ า, าแสดงธรรมตอนหลังเป็นลาหลานไปเคยเคยเล่าให้ฟังอนี่เป็นโอกาสนี่ผมพูดถึงโอกาสแต่จริงๆโอกาสที่เราจะเกิดความกำหนัดในตาระหว่างความสวยกับกิจของตาเนี่ยตอบได้เลยว่าเรากำหนัดโดยในแง่กิจมากกว่าความสวย ดูเพลินเพลินมก็เราให้คุณค่างความสวยมากเยนะแต่จริงๆแล้วเรากำหนดในฐานะของกิจคืออย่างไรและเมื่อไรคนทำวิปัสสนาเข้าใจเลยหรือคนรู้หลักวิปัสสนาอ่านมาเยอะก็จะนึกออกทันทีเราจะกำหนดตาเมื่อตอนหลับนี่นึกถึงตามไหมตอนนอนเอามือกายหน้าปากคิดน้นคิดนี่ไม่ได้นึกถึงตา ตอนกินอาหารก็ไปนึกที่ที่ลิ้นเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะนึกถึงตาปลาลบตากิเลสเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ตาตามพุทธพจน์เนี่ยเมื่อเห็นรูปในขณะที่เราเห็นรูปเนี่ยกิเลสมันย้อนหน้าย้อนแวงไปทั้งสามจุดอย่างในเบื้องต้นเลยนะคือหนึ่งเรากำหนดรูปที่เห็น สองกำหนัดตาที่ดูรูปแล้วก็สามกำหนัดความเห็นในรูปมันจะเกิดคลุกคละกันอยู่อย่างนี้แต่ไอไอความคิดเหล่ากิเลสเนี่ยมันไม่แยกหรอกครับมันไม่แยกเป็นส่วนแล้ววะอันนี้ฉันชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้มันไม่คิดคิดแล้วมันจะคิดรวมๆมือนมั่วๆนะแม้แต่ชอบเรื่องอื่นๆมันก็คิดมั่วๆแล้วมันก็ขัดขัดแย้งแย้งกันอยู่แบบไม่แยกแยะคิด อันกิเลสเนี่ยมันมันชอบเกิดโม่โม่แต่ว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเราะเวลาที่เราผมยกตัวอย่างว่าเรากำลังดูเราก็ขยับแม่นยืนหน้าไปนี่บางเอินตามันยืนของนอกเป้าไม่ได้แล้วก็ยืนหขยับแว่นตอนเนี้ยกิเลสมันมันยินดีในตาลาลบตาให้ความสําคัญตากรยี่และกระยี่อีกแล้วแต่ผมเรื่องสําคัญ บางคนไปเจอเงินตกอยู่ปึกขี่จรก็บ้าเลยเพราะฉะนั้นแหละในการถอนความกําหนัดในจักรสุขท่านละเอียดมันมีไอ้การหยาบก็มีอันละเอียดก็คือบุคคลเมื่อเห็นรูปอยู่ด้วยตาแล้วพึงถอนความกําหนัดและวิธีการถอนก็คือการดูอยู่ด้วยสติ ในการดูอยู่ด้วยสติเนี่ยสตินั้นจะย้อนไปย้อนมาถอนความกําหนัดในทั้งรูปทั้งจักษุแล้วก็ทั้งตาเสร็จและการที่เรามีตัณหาราคาอยู่ในตาเป็นนิดเป็นปกติเพราะเราเนี่ยเราดูทุกวันอย่าลืมนะราคาในตาเกิดทุกวันทิ้งเหล่านี้แหละเราได้สะสมไว้เป็นสมูทยัย คือความกำหนักที่จะดูมันเป็นพลังอันหนึ่งเป็นพลังถ้าพูดถึงในเชิงพลังกิเลสเอาอย่างนี้ว่าแค่เราอยากดูรูปชอบกระบวนการการดูรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดแล้วพอใจยากแต่เป็นถือเป็นเรื่องลึกเรื่องลึกที่อยู่ ใ, ใกล้ตัวใกล้พฤติกรรมเรา pepper. เราชื่อว่าเป็นผู้สร้างตาจะละตาไปไม่ได้เพราะเรามีตัณหาในตา อยากจะดูราคาตัวนี้ตัญหาตัวนี้จึงเป็นสมุทยัยเกิดเมื่อไหร่ไปเกิดในภูมิไหนก็ต้องมีตาทีนี้ไอ้ตาบางครั้งมันไม่มีแล้วบางครั้งมันมีคุณภาพแตกต่างกันไปเนี่ยอยู่ที่แรงหนุนของกรรมไอ้พลังที่เราติดตาตัวนี้น่ะมันเลยเกิดไอ้พลังปักตูปณิสยปัจัยนะฮะ ตัวนี้เป็นพลังประตูนะที่มันสร้างตาเราเนี่ยทีนี้ไอ้พลังตัวนี้ถ้าเวลาเราดูเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเราดูดูการดูนั้นปรับเป็นการดูที่อยู่ในการประกอบกรรมแบบไหนมันจะเกิดความเป็นกรรมเข้ามาในการเห็นเช่นคนคนหนึ่งถ้าสมมุติว่าไปดูดูต้นทาง ก็แก่เขาดูต้นทางนะดูต้นทางการดูนั้นประกอบกรรมอะไรเนื่องด้วยกรรมอะไรเป็นประโยชน์แก่กรรมอะไรก็ถามว่าดูต้นทางอะไรล่ะไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูทางไปนิพพานให้นะเราจะไปนิพพานเนีรยจะเฝ้าต้นทางนะเผืมาณโผล่เมาได้ดูไรแก่ใจได้ไม่ใช่ละ ที่ต้องมีดูต้นทางก็คือพวกเข้าไปขโมยข่าวหมดจับไปได้โดยดูต้นทางแ ล, และดูต้นทางบุญมีไหมะฮะเขาเรียกดูต้นทางหรือเปล่าไม่รู้นะเคยได้ยินไหมดูต้นทางทําบุญให้มีนะครับผมวันที่มาวันนี้คนไม่รู้จะเคยมีปัญหานี้ครับล่าแต่เพจที่แปรแบวไปทําบุญเนี่ยที่ผมเคยเล่าโทรมาจากต่างจังหวัดคนหนึง นี่แบบเดียวกับกท่านคนหนึ่งที่มากลับไปแล้วยังไม่รู้เลยนะมๆๆเมื่อกี้เจอกันแล้เหมือนกันเลยครับรี่เขายิ่งกว่านี่หลายเข้าเลยนะยิ่งกว่าท่านที่พพวกเราที่เนี่ยเป็นผู้หญิงผมเออนำสกุลเขาต้องรู้จักกันพอสมควรเลยใหญ่โตทั้งนู้นมากก็ทําตุรกีจะโธ่แต่ว่าเขาเนี่ยใจยบุญมากสามีก็ใจบาปมากเขามีตําแหน่งในใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ อ่านหนังสือทำไม้เห็นยังไม่ได้เชื่อว่าต้นทางอยู่ด้วยไม่ได้ต้นทางคือพวกลูกเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ขนาดลูกยังไม่ถูกไม่ถูกก็ลูกไม่เอาใครเลยอ่ะลูกสามคนอยู่ไม่ได้เลยบอกแหมเดี๋ยวนี้ลำบากเวลาจะไปให้อะไรใครเนี่ยต้องแอบต้องมิดเม้นต้องบอกบางทีไม่อยากโกหกต้องโกหก โกหกในเรื่องเอิอใช่ไปเสื้ย น, นั่นให้เธอที่ไปทํำไม่นี่ให้เป็นประโยชน์เขาแต่จริงๆจะไปทําบุญจะใส่บาตรใส่เบิดอะไรเนี่ยต้องนิมนต์ปลามาแบบแอบแบแบอะ่ะเฮ้ยอย่าปลอย่าปลาไว้ให้คนที่บ้านเห็นนะไม่งั้นละโอ้โหดา่าไม่มีสิ้นไม่มีชิ้นดีอนะ่ะด่าหมดทั้งหมดอย่างที่ผมเคยว่าดา่าทั้งคนทํดาด่าทั้งพละด่าหมดเลยก็ยังไม่ตายสัที เออปหลาดจริงๆมีอย่างนี้ด้วยทีนี้มันมีไอไๆสมัยก่อนเขาเราียกว่ามีต้นทางแบบอในในวิมานวัตถุมีคนหนึ่งแกได้ไปสวรรค์ว่าี้คนเวลาจะมามาทะมารับทานพระไอๆโ ย, ยมเนี่ยแกจะเป็นคนชี้บอกให้คนนั้นไปทางนี้พระมาทางนี้อะไรเ่นะคอยชี้คอยบอกอย่างนี้ก็เหมือนเป็นต้นทางแต่ต้นทางอย่างนี้มันไม่เคยโลโลซ่อนๆ เหมือนอย่างไอ้กรณีที่ไปดูต้นทางให้คนเขาฆ่ากันนะงั้นเพราะงั้นอย่างนี้นะตาการเห็นนั่นเข้ามาได้รับการเกื้อกูลจากบุญหรือบาปบุญกะรีหลังนี่เป็นบุญนะฮะเวลาที่กรรมให้ผลไอ้ตัณหามันมันยึดไว้ว่าจะต้องมีตากรรมมันก็เข้ามา ออกแปลนให้ว่าตาของคนที่ทำกรรมอย่างนี้เห็นเพื่ออย่างนี้ควรจะมีลักษณะอย่างไรและแม้ว่าเรามองคนเนี่ยอย่างมองแล้วก็เป็นคนมีโทรศทัพในการมองอยู่เสมอลักษณะตาจะมีแววของคนโตสจรินะฮะคนเป็นคนที่มองแล้วก็ทําอะไรเป็นคนทำจริงไ อ, อ้นิสัยที่เรามีเป็นหลักเนี่ยนะปรากฏไรประสาทเรามันหมุนไปตามนิสยัย ผูกอำนาจของอุปนิสัยทําให้อลักษณะทางประสาทเรามันเป็นอย่างนั้นคุณภาพแววมันออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นผมถามว่าเห็นเห็นตาคนเนี่ยพอรู้ไม่ว่าฉลาดหรือโง่รู้พอดูออกไหมาบางคนก็สามารถดูออกขั้นละเอียดบางคนก็แค่ถ้าปัญญาอ่อนหน่อยก็พ อ, อคนนี้ปัญญาอ่อนคนนี้ไม่ค่อยฉลาดคนนี้ฉลาด หรือบางคนเนี่ยเราเห็นตาดูตาพับและรู้เลยคนนี้เป็นคนเป็นคนเรียบกแล้วเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนใครก็รักและเป็นคนที่ชีวิตจะไม่ไม่เดือดร้อนอะไรอะไรวิ่งมาหาเงี้ยเรามองเห็นล้วก็รู้สึกอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่ไม่เคยรู้จักตัวเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับคือส่วนแห่งกรรมที่มันเข้ามามาอาบ ตาลักษณะทางสายตาและสมรรถนะทางดวงตาด้วยเพราะฉะนั้นประวัติพระสมัยก่อน ท, ที่ท่านมีความสามารถทางการเห็นด้วยตาเป็นพิเศษเนี่ยหลายองค์เคยเล่าใหฟังแล้วเนี่ยพวกนี้เคยทำบุญอะไรบางอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องของประกับตาจะออกมาเป็นลักษณะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าเป็นโลกี้ยะ และบนพื้นฐานของปู้ทุชนเนี่ยมันเริ่มมาจากความมีความกำหนัดในตาจริงไหมจริงการทำความดีนั่นคือการเอาความดีเข้ามาเสริมให้ความกำหนัดนั้นมีผลมีพลังในทางประษาตาเป็นแบบต่างต่างกันไปและคนที่ทำความชั่วเขาก็มีความกำหนัดในตาปูทุชนใช่ไหมก็แปลว่า ไอ้คนดูต้นทางบุญต้นทางบาปเนี่ยต่างคนต่างก็มีความกำหนับในตาเป็นพื้นฐานอยู่แต่กรรมที่กระทําด้วยการเห็นนั้นเป็นความแตกต่างกันทีนี้วิธีทางพละขั้นสูงก็เลยกลายเป็นว่าอะไรอะไรเนี่ยในโลกนี้นะอะไรอะไรไม่ควรยึดถือเคยได้ยินไะอะไรอะไรในโลกนี้ไม่ควรยึดถือและคําว่าในโลกที่ท่านตรักเนี่ย หมายถึงโลกหรือนี่โลกนอกหรือโลกไหนขันทะโลกไม่ควรยึดถือไม่ควรเอาความกําหนัดเข้าไปยินดีควรถอนความกําหนัดนี่เป็นขั้นสูงนะเพราะถ้าเรายังมีความกําหนัดเราก็ยังต้องมีทุกจนถึงว่าเมื่อตาเห็นรูปบุคคลยินดีในการเห็น รูปด้วยตาคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในทุกยินดีตาชื่อว่ายินดีทุกยินดีตาชื่อว่ายินดีโลกยินดีด้วยการเห็นก็คือการสร้างโรคสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองนี่เป็นเรื่องขั้นสูงมากต้องพูดราสูงไว้เพราะว่าจะได้ไม่รู้สึกว่ามันสวนความรู้สึกเราจัดเกินไปเดี๋ยวจะไม่คบพระพุทธศาสนาแม้ประสาท จมูกประสาทลิ้นประสาทกายประสาทอา่าก็โทษอ่ะแม้แต่เรื่องสลีละทั้งหมดมันล้วนแล้วแตเกิดจากอํานาจของความคิดจะเป็นเพราะนั้นถึงบอกว่าในในในพระไตรปิฎกนี่ก็เคยพูดถึงแล้วนะเคยอ้างถึงแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทําไมผู้ชายจึงเป็นผู้ชายทําไมผู้หญิงจึงเป็นผู้หญิง มันมีเหตุหลายอย่างแต่เหตุเหตุอันหนึ่งเนี่ยท่านพูดโดยอำนาจของความติดความติดเพศติดนี่มันมีหลายอย่างความติดเพศบางที่นะพูดโดยอำนาจของกุศลกรรมมากุศลกรรมอย่างอื่นนะฮะมันมีไอเหตุผลแต่ตัวหลักสําคัญอันหนึ่งคือความติดเพศคนที่เป็นผู้ชาย อำนาจตันหาในความในการติดเพศชายติดเครื่องแตงกายของชายติดอาการกริยาของชายแล้วก็ติดสิ่งที่ผู้ชายต้องการถ้าคนนั้นไม่มีชะตากรรมที่จะผันแปรอะไรเป็นอย่างอื่นนะฮะก็จะไปเกิดเป็นผู้ชายตันหาอย่างของผู้ชายและหญิงก็ติดในความเป็นเพศหญิงทีนี้เห้ผมพูดถึงกระเทยทำไมติดกระเทยอ่ะติดเพศกระเทยหรืออ่ะฮะ อันนั้นเขาเรียกว่ามีกรรมเข้ามาบิดเบนทําให้ตัวเองเนี่ยฝืนใหม่ๆก็ฝืนฝืนใจไม่อยากแต่ว่ามันสู้ไอ้กรรมไม่ได้มันก็เลยความรู้สึกนึกคิดเลยโดนครอบงําถ้ากรรมหมดสานึกก็คืนมาภายหลังได้อันนี้แหละครับที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวใช่ไหมฮะความเห็นแก่ตัวไม่ต้องไปนั่งคู่อยู่กับใครครับ เราก็เห็นแก่ตัว้เวลาเราพูดเห็นแก่ตัวทั่วไปมันก็จะต้องไปเผชิญหน้าช่วงชิงผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งกับคนอื่นความเห็นแก่ตัวมันถึงเกิดนะฮะแต่ตรงนี้มันเรื่องลึกนั่งอยู่เฉยๆก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไงเห็นว่ามีตัวเห็นว่าเป็นของตัวอยากจะให้อยู่กับตัวอยากจะให้อย่างงู้อย่างนี้มีความรู้สึกสำเลิกอยู่อย่างนั้น ซึ่งเป็นการสร้างทุกนี่เป็นภาของการสร้างทุกก็แสดงให้เห็นว่าอัพยากระตาธรรมคือจักษุเนี่ยตัวเขาเองไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วพิษภัยมาจากไหนมาจากกิเลสที่เข้าไปกหนนะัดนี่คือพิษภัยที่เราอาศัยตาเป็นคอบลาลบแล้วก็ทำพิษภัยนั้นให้เกิดขึ้นเพราะตา ในทางตรงข้ามผู้ที่รู้วิธีก็บำบัดโรคบำบัดพิษภัยด้วยการกําหนดตาอีกแบบหนึ่งถอนความติดความยึดก็สามารถที่จะไปนิพพานได้เพราะอาศัยตาเป็นปัจจัยี่เลสเกิดที่ไหนก็ดักทีนน่นั่นในตัวทุกนเนี่ยเป็นทั้งทุก์แล้วก็จะพ้นทุกได้ก็เพราะทุกเองกันท่านนี้คิดถิ เราูดถึงที่เตี๋ปลาลบตาหูจมูกลิ้นกายคือความเห็นผิดนะถ้าเห็นผิดอย่างอย่างเป็นปกติเลยแล้วก็คิดว่าตาเป็นราวตาเป็นของเรานี่คือความเห็นผิดสามันทั่ ว, วไปปลาลบตาตามบอกความเป็นผิดอย่างนี้มีอยู่ประจำตัวไหมอยู่ประจำตัวต่อให้นั่งอยู่ที่นี่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ลองดูสิชเลืองดูความรู้สึกมีไหม มีใช่ไหมมันอดมีไม่ได้เหนียวแน่นมากดังระดับอย่างนี้ลึกทีนี้ถ้าเป็นระดับอย่างอ่อนๆลงไปเนี่ยไอระดับเรือวความยึดถือความเห็นผิดความอะไรอะไรที่กิเลสอื่นๆที่มันอ่อนลงไปเราพอจะสลัดลันละด้บางถ้าเรา เห็นคนอื่นเขาตาดีตาสวยแล้วเราอิจฉาเป็นบุญเป็นบาปเรามีตาสวยตาดีเรายกตาเราคมคนอื่นคงคนอื่นเพราะตาบาปอีกหยาบนะอย่างนี้หยาบยกตัวอย่างกันในหยาบแต่ว่าอีกคนหนึ่งตัวเองตาดีตัวเองมีวิธีมียาที่จะหยดตาทำให้ตาสดใสมีวิธีการที่จะ บำรุงสายตามีเงินมีทองที่จะตัดแว่นตัดเลนมาใสา่ตาได้เห็นคนอื่นเขตาไม่ดีก็ขนขวายช่วยเหลือไม่ได้ไปดูถูกก็เลยว่าอย่างงีอย่างนี้ไม่ได้เอามาเป็นข้อดา่าเหมือนอย่างที่ตัวอย่างมีทากันอย่างนี้เป็นบุญและนี่คือการระดับของกิเลสที่เกิดขึ้นกับตาในระดับอย่างนี้หลายคนชนะได้ บางคนนั่นอาจจะมีอย่างที่ท่านจากครูบาลมาตาบอร์ดเนี่ก็เพราะอย่างเงี้ยผมเป็นผลของไอ้ไอ้ไอยีเลดระดับเก่าที่ตัวเองมีวิจารักราษาตาใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาเป็นเครื่องประกอบผลประโยชน์<ม>อย่างเกินขอบเขตของจัรยาบันแพทย์เลยทําให้เขาตาบอดไปเพราะว่าไม่ให้การรักษาในการนั้นสงควร โพยสุดก็เลยกลายมาเป็นพระอาหารหันตตาบอดในชาติสุดท้ายก่อนที่จะเข้านิพพานไปนี่ดังนั้นอันนี้ก็มันตนกิเลสในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดการทํากรรมในอีกระดับหนึ่งสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งตาเขาไม่ดีเขาไม่มีเงินตัดแว่นเขาเห็นเราใส่แว่นแล้วก็ขนาดพอดีเขาเราบอกแหม่แว่นอันนี้ขอเถอะ แล้วก็ใส่เดินอันหลังไปเลยเราให้ก็ได้ไหมยังไม่ตลองตอบนะเดี๋ยวใครตอบได้แล้วคนอื่นก็จะเสียหน้าไม่ได้ตอบหลายคนก็คงจะให้ได้แน่สาหรับยิงคนที่นั่งอยู่นี่นะแต่ว่าเราคิดแล้วว่าคนทุกคนจะให้ได้อย่างนี้ทุกคนมันก็ไม่ได้นะไอ้กรณีที่เราสามารถจะให้แว่นเขาได้เนี่ยแปบลบว่าไอ้ความยึในกระบวนการของตา ระดับนี้เราชนะเราอยู่เหนือแต่อีกคนหนึ่งมาบอกแม้ผมในตามฝ้าทั้งสองข้างเลยคุณตาดีทั้งสองขอทั้งข้างได้ไหมไ ม, ไม่มีใครทําได้อย่างพิษูณีรูปเมื่อกี้บ้างเหรอชแต่ถามว่าพระโพธิสัตว์ทมได้ไหมพระโพธิสัตว์ทาได้ถ้าบางคนก็อาจจะมีข้อแม้ บอกเออบางคนเราให้ได้แค่ว่ามันเลาะกระจกกระจกอะไรเงี้ยได้หรืออาจจะควักรูต่างําหรับบางคนนะแต่บางคนไม่รู้หัวนอนปลายตีนเลยมามึนมากินเหล้ากลุงมาเราคงให้ไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะมีข้อแม้เงินขายอยู่บ้างสําหรับในกรณีเมื่อทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องระดับของความแก่อ่อนและในทางหลักในการปลดความยุดในเรื่องของ ตัวของระบบประสาทสต่างๆเนี่ยถึงออกมาเป็นรวมการให้ทานเป็นรวมการบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยประสาทนั้นๆๆๆถามว่าเราติดไฟอยู่หน้าบ้านเกี่ยวกับตาไหมเราให้จากสู่แก่บุคคลอื่นติดไฟที่หน้าบ้านแต่นึกหรือว่าคนอื่นก็ให้ได้คนอื่นก็ให้ไม่ได้ถ้าทัว ก, การให้นี่มันการให้คนอื่นตัวไม่ได้ประโยชน์นะ แต่บางคนที่ให้บางทีก็ไม่ได้ปลารบคนอื่นครับปลารบใครปลารบตัวเองคนอื่นเป็นผมพลอยได้บางทีเ้ามาป้านเป็นปนเป็นแต่นั้นยังไล่เข้าไปอีกไล่ไมครับเขามาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นปรอป ร, ะระบบประสาทอะไรนี่ยเรายึดถือยึดถือทั้งที่เราไม่ได้รู้ความจริงของมันและเพราะไม่รู้ความจริงของมันเนี่ยมันถึงต้องยึดถือไนะ ทีม่มันมันมันก็เป็นข้อแง่คิดอันหนึ่งว่าอะไรที่เราเข้าถึงความจริงแล้วความความยึดถือจะน้อยลงถ้าความจริงถึงที่สุดปลุกลงความยึดไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไปกําหนดเห็นตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไหลเมื่อไหลก็ไม่เที่ยงตาอย่างไรอย่างไรก็ไม่เที่ยงหูอย่างไรอย่างไรก็ไม่เที่ยงยึดถือไหม ถ้าทะลุปูปลงอย่างนี้ไม่ยึดถืออย่างเช่นพระอารหัของเรายัางยึดถือเพราะว่าเรายัางคลุมเครือคลุมเครืออยู่อ้าวคราวนี้มาดูรูปเสียงกินรถโพธิ์เอะพะรูปเสียงกินโพธิ์เะพระนี่มันมีทั้งรูปข้างนอกรูปข้างในรูป ก, ก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรถโพธิ์เถอะพะก็ตามเป็นอภิญากตะผมถามว่าเสียงด่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเสียงสวดมนต์เป็นบุญเป็นบาปเป็นอภิญากตะ จิตที่เป็นสมุดฐานเปล่งเสียงเป็นบุญหรือเป็นบาปได้ใช่ไหมแต่เป็นล่าหลานก็เป็นกลางไปอย่างเราก็เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นตัวเสียงเนี่ยจะเป็นกลางเสมอมันเกิดจากอะไรเมืก็เสียงที่เราได้ยินเสียงด่าก็เกิดจากกุศนที่บาปของเรานะเสียงดีก็เกิดจากกุศนที่บาปงเราไอ้ตัวกุศลที่ทำให้เกิดผลอันหนึ่งผลอันหนึ่งกรรมอันหนึ่ง ทั้งกรรมเกรรม่ากรรมใหม่กับผลของมันทีนี้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็มีเสียงข้างนอกเสียงข้าไหนผมถามว่าเสียงตัวเองกับเสียงคนอื่นเนี่ยเราชอบเสียงไกลมากกว่ากันหน้าเราเนี่ยจะสวยจะหล่อแค่ไหนก็ตามนะถ้าไปเทียบกับคนที่เขารูปร่างงามยังกระลงมาจากสวรรค์นเนี่ยเราชอบหน้าใครมากกว่ากันเพราะถ้าถ้าใครต่อว่าชอบหน้าตัวเองหมดแล้วไปดูเขาทําไม เสียงเงินด้วยเสียเวลาโดยไปดูก็ทําไมเสียงตัวเองถ้าชอบมากกวา่าแล้วไปฟังแล้วทำไปซื้อเทปทำไมโมนหนึ่งตั้งโหเห็นซื้อๆกันอย่างนี้เป็นลอยๆ อ, อ่ะเนี่ยแล้วแล้วว่าไงอะชอบเสียงใครกันแน่ตรงนี้นะ่ะจริงๆเราชอบสองอย่างแต่ว่าน้ําหนักมันยุ่มันต่างกันอย่างนี้ฮะเราชอบ เสียงเราอย่างในฐานะนที่เป็นเรานะฮะชอบอย่างในฐานะนที่เป็นเราเราชอบคนอื่นในฐานะนที่เป็นทรัพย์เป็นของที่เราอยากจะฟังอยากจะเสพเป็นชั่วครั้งชั่วคราวทีนี้ไอเสียงเราเนี่ยบางทีมันก็มีความชอบเป็นแบบคำนองว่าชอบอย่างที่เป็นเราว่านี่คือเราแล้วก็ ชอบอย่างชนิดที่เป็นค่าทางทางวัตถุสิ่งของหรือค่าทางสุนทรียะนั่นเป็นอีกอันหนึ่งเพราะนั้นคนเนี่ยถึงจะเกิดมารูปร่างขี่ลิ้วกิเลสไงก็ตามจะยืนพื้นกิเลสเราอยู่เสมอใช่ไหมฮะจะยืนพื้นตัวนี้ แต่ว่าไอ้ค่าในทางด้านอื่นเนี่ยในทางของในทางสุนทรียะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปราลบในเงี้ยนะบางทีบางคนก็อาจจะทั้งสองอย่างนั่นคนที่เสียงเพาะก็เราด้วยเพาะด้วยทีนี้ไอ้สองอย่างเนี่ยที่มันเป็นอันตรายมากกว่าคือชอบอย่างเป็นเราที่เป็นตั ว, วก่อภพกก่อชาตินะ่ะชอบอย่างเป็นรับคือตัวก่อภพก่อชาติ ที่เป็นภัยในสังสารวัตรนี้กลิ่นตัวเราเนี่ยเราก็ชอบมันก็แบบเดียวกันทีนี้ในนี้ท่านแจงกิเลสไว้เป็นตัวตัวอารมณ์เนี่ยก็หลายๆอย่างที่ว่ากิเลสเป็นตัวตัวคือราคะความกำหนัดชอบใจอในลักษณะต่างๆกันและทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดมันมีหลายอย่างหลายขั้นหลายชั้น ตั้งแต่ความเป็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ดีความเข้าใจผิดอื่นๆที่เป็นชั้นหยาบกว่านั้นออกไปเป็นหลายอย่างหลายประการก็มีแล้วก็วิจิกริช้าคือความเครือบแคลงลังเลสงสัยบุคคลเมื่อคือเมื่อบุคคลเกิดความสงสัยเนี่ยก็สงสัยในรูปเสียงกิโลกโปมโะใช่ไหม ถามว่าสงสัยเราเนี่เป็นใครเราทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ความสงสัยอันนี้มันก็เป็นเรื่องลปลสกลิ่นเสียงผลิตภัณฑ์อยู่ในตัวเราเองนี่แหละเพียงแต่ว่าวิจีกริช า, ามันเกิดมันไม่ได้แยกแยะอารมณ์ให้เป็นที่ปรากฏหรือว่าสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างกรณีของศีลพระเนี่ยว่าหรือศีลเราก็ได้ เราไปเอาของใครเข้ามาสักชิ้นหนึ่งโดยค่ามันอาจจะที่เป็นที่รูปน้ำหนักเป็นที่รูปอย่างเชั่อพวกอะไรที่เป็นรูปนะฮะหรือน้ำหนักเป็นที่เสียงอย่างเราไปเอาเทพมาเนี่ยน้ำหนักของวัตถุชิ้นนั้นค่าอยู่ที่เสียงนะถ้าไปเอาดอกไม้มาถ้าเป็นดอกไม้ที่น้ำหนักมันอยู่ที่รูปมันก็เป็นรูปอย่างดอกกุหลาบเนี่ย ถ้าดอกไม้บางอย่างเนี่ยข่ามันอยู่ที่เสีย ง, งหรือจะเยวเ่เยอะแงะไม่ใช่เสียงกลิ่นนะฮะค่ามันก็อยู่ที่นั่นก็ชื่อว่าขโมยลูกขโมยเสียงขงโมยกลิ่นนะฮทีพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็สงสัยว่าเออเราทำผิดหรือเปล่า เ, เราเราก็เกิอดอยู่บ่อยๆครั้งนะบางทีไปรับประทานของบางอย่างเข้าในระหว่างที่เรารักษาศีลแปด ในขณะปฏิบัติเนี่ยไอที่เป็นสองๆและฉีกจงดื่มเอื้อเข้าไปแล้วกิเลสมันก็เก่งก น, นะมันมันเข้าใจสงสยัยไม่สงสัยตอนก่อนดื่มรอให้ดื่มแล้วก่อนค่อยสงสยัยมีแรงสงสยัยว่าเอ๊ะนี่มันอะไรเราผิดศีลหรือเปล่าเนี่ยเลยเกิดกุ้ยตัอกังวลขึ้นนะฮะหรือบางทีก็มาดีหลังเอ๊ะ เมื่อก่อนกินนม ก, นนกินนู่กกินนี่พอมาฟังอธิบายเรื่องสี่งข้อนี้เขาเลยทักสงสัยก่อนไม่ฟังไม่สงสัยและเราเองเนี่ยบางทีเรามาฟังธรรมะอะไรอย่างเงี้ยไปเกิดไอ้ข้อสงสัยต่างๆในชีวิตเราเนี่ยนะบ่อยๆ บ, บางคนก็ทํากรรมฐานอยู่มันจะออกไว้ละใส่สร้อยสองคําแขวนอยู่เส้นนใส่ทองถามว่าไอ้ผิดศีลปะ เป็นัปเลยผิดมเออไ อ, อ้ตรงนี้ก็เลยมีช่องออกว่าเออถ้าใสาเพื่อความสวยงามผิดทําให้ความสวยงามไม่ผิดเราหวีผมระหว่างปฏิบัติผิดั้ยอาบาัตไหมจะให้ปล่อยผมก็เสิฟเสิงผมก็ความไมโยคี เพราะฉะนั้นเราก็รู้เวลาหวีเนี่ยจะต้องตั้งมริการยังไงนะฮะถ้าตั้งมรการเพื่อความสวยหวีผมเพื่อความสวยผิดถ้าตั้งมรดการถูกก็ไม่ผิดข้อที่เรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวคืออย่างถ้าเป็นอย่างพระก็ส่องกระจกเนี่ยส่องส่องไม่ดีอาบัตเลย ถ้าส่องถูกต้องกระวินในก็ไม่อาบัดเช่นหน้าเป็นสิวเนี่ยแล้วก็เกิดไปส่องไปส่องไม่ได้ส่องบำบัดโรคส่องโกนหนวดเนี่ยได้แต่ถ้าไปส่องเหมือนกับ้าบ้านเขาส่องดูความสวยงามอย่างนั้นก็อาบัดผิดศีนในสีนแปดโอเองรักษาสีนแปดก็มีข้อเคร่งครัดกล้ายปลาอย่างนี้เหมือนกัน เอ้นี่เราสงสัยบ่อยๆเหมือนกันบางทีก็สงสัยนักษณญาตรวจสอบนะสมมุติว่าเราไปที่ร้านขายน้ำหอมแล้วเขาบอกว่าห้ามเปิดดมแล้วเราไปเปิดดมอธินาทานไหมบอกแค่ดมไม่ได้เอาไปกับเขาไม่ได้ห้ามแล้วเราไปเปิดดมก็โดยมากตื่อสะบงสบูโอดดมไม่ได้ ดมก็จะช้ำแหละทั้งดมทั้งบีบถามว่าเป็นไหมเรื่องนี้นะ่ะเราก็ต้องปิดปิกเลาะว่าเออต า, อาว่าเขาห้ามเขาหวงแล้วเราไปดมเป็ดทั้งที่เราไม่ได้อาไปนะแต่เขาห้ามดมเพราะคุณค่าความเป็นซักมันอยู่ที่กลิ่นนั่นแหละแค่ถ้าเขาห้ามนั่งแค่เราไปนั่งเขา อั น, นี้ก็อยู่ที่บางอย่างก็ไม่ได้ผิดศีล น, นะบางอย่างเนี่ยมันก็สมมุติว่าเขาจัดเก้าอี้ว้ใครตีตัวไหนก็ต้องมาตามตามเบอร์ที่ระบุไว้เราตีตีชั้นสามมานั่งในชั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเถียงแบบรู้เชยเพราะว่าชั้นเดียวกันแล้วไม่เห็นมีสามชั้นนะี่เนี่ยเป็นไหมสมมุติเรา เราไปแอบนั่งตัวรถไฟจนทั้งไปถึงปลายทางโดยที่เราไม่มีสิทธิ์แล้วไปใช้สิทธิ ท, ทุกอย่างอธินาทานครับอย่างนี้ถือว่าอธินาทานตามส่วนที่เกินไปอยางนี้อุดทัศ จ, จ่าก็อย่างกรณีที่ฉันยกตัวอย่างว่าคนไปไปเห็นปีศาจ <Yes. S 1> เห็นรูปนั้นแล้วอุดทัศ จ, จ่าเกิด คิดฟุ้งซ่านกลัวอุตจักกูจจะหรือว่าไปาจักสุเห็นจักสุหรือแม้แต่เห็นหน้าของคนบางคนในชวนฟุ้งซ่านนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นจริงๆเราต้องระวังใจมากคือบางคนเนี่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะขอโทษนะ น, นี่พูดเป็นความรู้นะเดี๋ยวจะไมา่มาจ อยอมมาเผชิญหน้าครับเห็นแล้วใจมันขวัดแขวงฮะแปลกจริงๆหลายบางคนเป็นอย่างนั <differentiate> ้นผมก็ก็ังเจอที่ผมก็ไม่รู้จะเรียกบุคลิกไงเป็นบุคลิกเรียกว่าอชวนให้คนเห็นเนี่ยกระตับกระสายใจมันยังไงก็ไม่กระสับกระสายแล้วบางคนพอพูดจาอะไรมาก็ชวงกระตับกระสายนะะ เรียกว่าบุคลิกโกลนโมโหคล้ายอย่างงั้นแต่มันไม่ถึงกอบโหโกุนที่ว่อะไรอย่างงั้นหรอกทีนี้ถ้าถ้าตรงนี้นะเราเองต้องรู้เต่าทันต้องคุมตัวเองดีว่าถ้าไปเจออย่างนี้เราต้องเข้าใจแล้วต้องทําบุญถ้าทํากับเขาได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่จะไม่ไ ม, ไม่ไม่กลายเป็นหมูไม่ถูกตาเจ็ด ก, กับใครได้ง่ายๆนะฮะ ก็พยายามทําบุญกับเขาเถอะคุยกับเขาเถอะเพราะคนอย่างนี้มันดีคุยกับใครเขาก็คุยได้เมก็ยืนอยู่แล้ว <c oughs> เราเราก็ต้องพยายามคุยกับเขาสงเคราะห์เขาเมตตาเขาพวกะเขาไม่ได้จงใจมันเป็นเรื่องเป็นไปตามกรรมตามกิเลส น, นะฮะไม่อย่างมาถามให้ผมชี้หรือว่าไงเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวชี้ไปชีมาก็าาเลยชีย้กันใหญ่เลยมันก็านานๆเจอทีอ่ะนะฮะ แต่ก็ไม่เคยบอกใครแล้วว่าใครเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นไม่ดีไปโทมนัสเนี่มันก็เห็นเห็นล่ะโทมนัสคือความเสียใจความโกรธความขุนใจความไม่ชอบใจกับรูปเสียงกิโลตโพธพิภะทำมาลมต่างๆนั้นในอย่าง ตัวเราเองเนี่ยประสาทในตัวเราเองเนี่ยเราก็มีทั้งชอบใจทั้งชอบไม่ใจแต่เราสรุปได้อันหนึ่งว่าไอ้ตัวยืนพื้นอยู่เนี่ยมันชอบครับมันยึดนะฮะและเพราะเรายึดเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างใจโดยเปรียบเทียบคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เป็นอย่างนี้เราถึงโกรธแต่โกรธอย่างไม่ไม่จริงจังแหละครับโกรธอย่างนี้โกรธไม่จริงจังไอ้ตัวนี้มันยึดแน่น เหมือนกับผัวเมียทะเลาะ ก, กันนะเอาจริงก็เลิกกันไม่ได้แต่ในพูดถึงบางหลายหรือที่ยกตัวอย่างว่าไอ้ไอ้ลูกเล็กๆที่มันก็กอดคอแม่แล้วมันก็ซนแม่มันก็ตีได้ตีเอาแมันก็ท้วงใหญ่ครับหยิกกัดแม่มันผมเห็นนะนั่งมาบน้นแม่พอแม่จะลงเขาผมก็กำลังนึกแม่ตอนแม่ลงมันน่าจะบอกแม่ปั๊ผมจะไปตายเอาดาบหน้า มันกับตะกิ้ตะกลายไล่กอดนอะกลัวแม่จะทิ้งมันแล้วก็เหมือนกับคนบางคนที่ผมเปรียบเทียบว่าคือคนบางคนเนี่ยคนอื่นก็นให้การช่ยเหลือแล้วตัวเองก็เห็นแก่ตัวว่าเหมือนกับ เ, เขาอุตส่าห์ให้ดูดนมแม่นมคนหนึ่งเขาสามมาเป็นแม่นมใหด้ดูตัวยังทั้งดูดแล้วกัดนมเขาไปซะด้วยอย่างงี้ก็มีมันมันเกิดไอ้พฤติกรรมกัดแยง้ง ตัวเราเองเนี่ยทั้งรักทั้งชังแต่ความชังและความรู้สึกอื่นนั้นมันเป็นเพียงแสดงความไม่สบใจกับสิ่งที่ตัวเองรักเท่านั้นเองมีใครบ้างไหมบอกโกรธแลว้วเคะขัวตัวให้บอกไม่ต้องเคะขัวเ ค, คะแค่เจ้าคอนทุบเลยนะเราก็ไม่ยอมอเองนะบางทีรู้ถึงบ่อยบางคนเนี่ยก็ทําท่าไม่ชอบพอเราทําท่าจะไปช่วยสนองกิเลสอย่างที่เขาไม่ชอบกันเขาบอกไม่ได้นะนะ่าเสีย อย่างเงี้ยมีฮะพ่อกับแม่ไอไอแม่เนี่ยเป็นคนหุนหงิดชอบตีลูกพ่อก็ห้ามไม่เชื่อผมก็เลยบอกกูเอางี้สิพอเมียคุณตีลูกคุณควา้าไอไม้เลี้ยวไอใหญ่ที่เมียคุณตีตีเข้าไปเลยครับพอตีเข้าเมียตกใจเลยหน่าสิทเลยบอกคุณคุณพ่อแล้ว เออใช้ได้ผลเนี่ยเออไอ้ทีก็จะตีให้ไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าเขามาทำท่าอ่อนๆ อ, อ, อ, อ, อ่อยๆครับางทีก็พอไปไปโกรธสามีเขาอ้กหาว่ายังงีอย่างงียย้ง น, นั้นมันถึงมีไอ้ไอ้ขอบเขตไงขอบเขตถ้าบางทีมันไปล้าไอ้ตัญหาราคะมากไปเนี่ยตัญหาราคะมันก็ไม่ยอมมันก็ยอมได้เฉพาะแค่นี้ตัวเราเองเนี่ยเกลียดอะไรอะไรในตัว เ, เองไม่จริงครับ ไม่ให้แต่คนฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เกลียดตัวเองจริงนะมันเป็นเพียงรักตัวเองแล้วก็แก้ไขความทุกข์ด้วยอุบายที่โง่ที่สุดเท่านั้นเองถึงฆ่าตัวตายมันก็เป็นกรรมถ้าเราลองไปขอฆ่าเขาบอกว่าแต่ฆ่าผิดวิธีที่เขากรรมเขาสั่งให้ให้ฆ่านะก็ไม่ยอมเหมือนกันอุตส่าห์ขับรถนะกลัวรถชนนะประคองตัวเองมันจะถึงที่ฆ่าตัวตาย ทำไมมันไม่รถชนตายตั้งแต่ออกจากบ้านก็นไม่รู้่นะมีอะไรขัดใจยังอุตส่าห์ไปทุ่มไปเถียงกับเขาใช่ไหมคนพวกนี้แปลกนะไอ้คนเกลียดตัวเองทําไมเป็นอย่างนั้นน่าจะขอบคุณเขาแม่คุณขอบคุณที่คุณอุตส่าห์เกลียดตัวผมเมื่อย่างที่ผมเกลียดเนี่ยคุณยังเกลียดไม่สมใจผมอะไรแต่ที่จะพูดอย่างนั้นก็ ก, ก็มันกลายเป็นกลับตรรพัดสิ วันนี้เรายุติทานี้คราวหน้านี่ผมจะสรุปไหมแบบ